พวกเราได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติก็ต้องรู้จักเป็นผู้ฉลาดฉลาดในการเห็นประโยชน์ของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่น่าเรียกว่าเป็นผู้ฉวยโอกาส ของทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราหรือที่เรามีอยู่นี่ล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นถ้าเรารู้จักมองรู้จักใช้อย่างเช่นความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นกับเราความเจ็บความป่วย ก็มีประโยชน์ก็คือสอนให้เราเห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขารสอนให้เราเห็นถึงความทุกข์ที่มันมีอยู่ประจำสังขารและความแก่ความตายก็มีประโยชน์ สอนธรรมะอย่างเดียวกันแล้วก็ทำให้เราไม่ประมาทอย่างเวลาเราป่ว ย, วยก็ให้เรามองว่าเออต่อไปอาจจะป่วยกว่านี้อีกน ะ, ะเพราะฉะนั้นต้องอะไรที่ยังไม่ได้ทำก็ควรจะรีบทำซะ หรือในขณะที่ยังป่วยนี้อะไรที่พอจะทำได้ก็ทำซะพราะถ้าป่วยหนักกว่า น, นี้ก็ทำไม่ได้ความตายก็เช่นเดียวกันเตือนใจให้เราไม่ประมาทในขณะที่ยังไม่ตายก็ออมีเวลามีกำลังก็ทำสิ่งที่ควรทาเวลา ของหายอันนี้มันก็มีประโยชน์เหมือนกันเขามาสอนเราเรื่องความไม่เที่ยงเหมือนกันสอนเราว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราจริงๆเขาก็อยู่กับเราเพียงชั่วข่าวไม่มีอะไรที่อยู่กับเราถาวร สอนให้เรารู้จักปล่อยวางเพราะถ้าเราไม่ปล่อยวางเราก็เป็นทุกข์อลองสังเกตดูความทุกข์เกิดขึ้นก็เพราะเรายึดติดหวงแหนความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้ทั้งนั้นโดยเพราะความทุกข์ใจ วความทุกข์กายก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางก็ทําให้ทุกข์ได้วความทุกข์เข้ามาสอนเราว่าให้ปล่อยซะให้วางซะนะงานการไม่สําเร็จงานการล้มเหลวนะอกหักพวกนี้ก็เป็นประโยชน์สอนเราได้ทั้งนั้นนะ สอนธรรมะ ก, กับเราว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปดังใจหวังได้ตลอดเวลาแล้วก็เตือนใจเราให้อย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับอะไรรวมทั้งฝึกใจเรานะให้ฉลาดฉลาดในการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆฝึกใจเราให้อดทนฝึกใจเราให้มีสติ ฝึกใจเราให้มีเมตตาอย่างความเจ็บปว่วยเมื่อวานนี้ก็ได้พูดว่าเนี่ยมันก็เป็นโอกาสในการฝึกเมตตาได้ฝึกเมตตาเมันก็ว่าความป่วยนี้มันเราป่วยแทนสรพรพสัวเรารับเอาความทุกข์ของสรพรพสัตวมาไว้ที่ตัวเรามันก็เป็นการบ่มเพาะเมตตาในใจเราเวลาเราปฏิบัติเนี่ยมันมี อารมณ์ความคิดหลายอย่างเกิดขึ้นรวมทั้งมีนิวร น, นิวรคือเครื่องเครื่องกั้นขวางความดีความง่วงเงาหานอนความฟุ้งซ่านความห่วยหาหรือว่าใครในความสุขทางกามความหงุดหงิดราคาญรวมทั้งความโกรธ ความรังเลสงสั ย, สยวพวกนี้ก็มีประโยชน์นะมันทำให้เราฉลาดในการหาอุบายเพื่อที่จะแก้นิวรเหล่านั้นแต่ก่อนพอง่วงก็นอน <c oughs> ง่วงก็ทำตามมันแต่ว่าพอมาปฏิบัติแล้ว ก, ก็ต้องฝึกที่จะรู้ทันมันละแล้วก็หาทางเอาชนะมันให้ได้ หรือว่าเวลามีความมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมันก็เป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่าได้เป็นของเป็นการบ้านที่ฝึกให้เราเห็นมันความโกรธเกิดขึ้นก็ดีถ้ารู้มันนะความหงุดหงิดเกิดขึ้นก็ดีถ้าเห็นมันนะความน้อยเนื้อต่าใจความอิจฉาเกิดขึ้นก็ดีถ้าเราเห็นมัน อันนี้อาจจะได้ประโยชน์มากกว่าเวลาเกิดความสงบโดยเพราะถ้าสงบแล้วไม่เห็นอันนี้สู้ความโกรธเกิดขึ้นแล้วเห็นไม่ได้เพราะว่าเห็นทุกครั้งก็ฉลาดทุกครั้งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็สอนธรรมะอย่างเดียวกันซื่อสอนเรื่องอ น, นิจจังทุกขังอนัตตา นั่นจะไปจะไปลังเกียจผลักไสมันทีเดียวโดยพอมือมันเกิดขึ้นแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้าไม่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรก็พยายามป้องกันนะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นพว ก, ก อ, อารมณ์อกุศลเหล่านี้บำเพ็ญหรือสร้างความเพียรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ อย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปทุกข์เพราะมันหรือ่าเสียผู้เสียคนเพราะมันแต่ว่ารู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์เพียงแค่เห็นมันเพียงแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นก็มีประโยชน์แล้วเพราะว่ามันก็เป็นการเติม <c oughs> เติมหรือเพิ่มความระลึกได้ให้กับสติ <c oughs> อย่างที่พูดวันก่อนว่าสตินี่มันต้องเห็นบ่อยๆนะ มันถึงจะจําได้ต้องเห็นความโกรธบ่อยๆถึงจะจำความโกรธ ไ, ไ, ได้และเมื่อจําได้แล้วต่อไปพอมันเกิดขึ้นก็ไม่ไม่โดนมันหลอกไม่เผลอหรือว่าถึงโดนมันหลอกก็จะร ะ, ะลึกระลึกได้ไวร ะ, ะลึกได้เร็วขึ้นเหมือนกับเราจะจำำําคําศัพท์ได้เนี่ยก็ต้อง เปิดพจนานุกรมหรือว่าเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเห็นบ่อย ๆ, ๆก็จําได้แม้แต่หนังสือนังหาที่เราเรียนแม้เราจะอ่านออกเขียนได้แต่ถ้าเราไม่เจอบ่อยๆมันก็ลืมนะชาวบ้านที่เขาอ่านออกเขียนได้ตอนเป็นนักเรียนแต่พอไม่ได้ไม่ได้อ่าน หลายปีก็ลืมเหมือนกันความสามารถหรือทักษะอย่างอื่นเช่นการขีดการเขียนการร้องเพลงการแต่งเพลงการวาดภาพนี้ก็ต้องฝึกบ่อยๆต้องทำบ่อยๆถ้าไม่ทาไม่เจอก็ลืมเหมือนกันในการที่เราเจออารมณ์ต่างๆเกิดขึ้น ก็ลวนมีประโยชน์รู้จักใช้มันให้เป็นจะว่าไปแล้วแม้แต่กิเลสนี่ก็เหมือนกันนะกิเลสนี่ก็มีประโยชน์นะถ้าเราใช้ให้เป็นแต่ก่อนที่มันใช้เรามันใช้เราจนเป็นทาตของมันเหมือนกับว่าเกิดมาเพื่อเป็นทาตมันแท้ มันสั่งให้กลัวก็กลัมันสั่งให้อยากก็อยากมันจูงเราให้เราไปทำอะไรไม่ถูกต้องแต่ว่าต่อไปนี้ถ้าเราฉลาดเราก็ต้องรู้จักใช้มันบ้างา ก, ก้เลนีนใช้ให้เป็นประโยชน์ก็ดีแต่บางทีก็ เราอาจจะไม่รู้จักใช้แต่ว่ามีคนมีกลัลยาณมิตรนะที่รู้จักใช้กิเลส ข, ของเราเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่เรามันก็มีนะนนในใสมัยพุทธกาลเนี่ยอนาท บ, บินฑิกาเศรษฐีเนี่ยเป็นเศรษฐีที่อุปถัมภ์พระพุทธองค์นะจนกระทั่งสร้างวัดเฉยตะวันขึ้นและตัวท่านเองก็บรรลุ ธ, ธรรมเป็นโสดาบัน แต่ว่าสอนลูกไม่ได้ลูกนี่ไม่เอาทานถ้ามีเยอะหน้าที่พ่อแม่เป็นโสดาบันหรือว่าบรรลุธรรมขั้นสูงแต่วา่าสอนลูกไม่ได้ลูกชายนาธิปิฏกานี่ไม่เอาทานชวนเข้าวัดก็ไม่ไปชวนให้ไปฟังธรรมก็ไม่ไปก็ปเลยต้องจ้าง จ้างให้ไปฟังธรรมจากพระพุทธองค์ที่วัดเชตวันวัดที่อนาธิปินทิกะผู้เป็นพ่อสร้างขึ้นพ่อรู้ว่าพ่อจ้างก็ด้วยความโลภ ก, ก็ไปแต่ไปแล้วก็ไปเฉยๆงี่ละไปแต่ตัวแต่ใจไม่สนใจเสร็จแล้วก็มาเอาเงินพ่อมาแบมือขอเงินพ่อ ก็ทำนี้หลายครั้งในสุดก็อ น, นาถปิญญาบอกว่าไปแล้วนี่ต้องไปฟังนะต้องไปฟังแล้วจําให้ได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรไม่งั้นไม่ให้เงินด้วยความโลภอยากได้เงินก็เลยเอาไปไปแล้วก็ไปฟังแต่ว่าพระพุทธองค์เนี่ยพระองค์ก็มีอุบายทําให้ ลูกชายตัดพิธการเนี่ยแม่ตั้งแม่ตั้งแม่จะพยายามฟังก็จําไม่ได้เมื่อจําไม่ได้ก็เลยต้องตั้งใจฟังมากขึ้นจากเดิมที่แค่ฟังผ่า น, านแล้วก็พอที่จะจําอะไรนิดอะไรหน่อยแล้วก็ไปขอเงินพ่อไปรายงานให้พ่อฟังเพื่อจะเอาเงินก็ทําไม่ได้เพราะว่าจําไม่ค่อยได้เลยต้องตั้งใจมากขึ้นพอตั้งใจมากขึ้นตั้งใจมากขึ้นจิตใจก็เป็นสมาธิ ฟังธรรมก็กลายเป็นว่าบรรลุธรรมไดนะ้เป็นโสดาบันอันนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเริ่มต้นมาจากความโลภนะเริ่มต้นมาจากกิเลสอยากได้เงินจากพ่อก็เลยเข้าวัดและไปฟังธรรมถ้ามีหลายท่านที่บรรลุธรรมได้ก็เพราะมีกิเลสเป็นตัวชักนานะ อีกลายนี้ก็คือพระนันธานะพระนันทาเนี่ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของพระพุทธองค์ก็เป็นลูกของพระแม่นาประชาบดีใกล้ชิด ก, กันมากแต่ว่าก็เหินห่างเพราะพระองค์เจ้าชาสิทธัตถะนี่ก็ไปออกบวชแล้วเมื่อตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าในที่สุดก็เสด็จกลับกรุงกบิลพัฒน์ก็มีคราวหนึ่ง พนันทะก็เข้าพิธีแต่งงานกับนางชรลบทกาลยา น, นีก็นิมนต์พระองค์มาในงานนะเพื่อที่จะทำบุญเลี้ยงพระการทำบุญเลี้ยงพระเสร็จก็พระพุทธองค์ก็จะกลับจะกลับวัดเนี่ยก็มอบให้มอบบาตรให้พนันทะถือไปส่ง พระนัน้าก็ตามไปส่งถึงวัดก็คิดว่าเสร็จจากวัดนี้ก็จะรีบกลับไปงานแต่งงานเพราะว่าคิดถึงคู่มั่นสวยมากแต่พอไปถึงวัดแล้วแทนที่จะได้กลับวัดพระองค์ถามว่านะจะบวชหรือนะตามมาถึงวันนี่จะบวชหรือพระนันธานี่ ปฏิเสธไม่เป็ น, ปนก็เลยตกกรไดพอยโจร<น>ก็เลยรับปากว่าจะบวชพระพุทโงก็เลยจัดการบวชให้เลยในวันนั้นแหละในวันที่จะแต่งงานนั่นแหละบวชแล้วก็พระ น, นันทาก็ยังคิดถึงนางชนบทกาลยานีคู่มัน่นคิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับไปพระพุทโธก็รู้นะ ก็เลยพาพนันธานีไปเที่ยวสวรรค์ก็คงพาจินตนาการไปนะหรือว่าสร้างนิมิตให้เห็นถึงนางอักษรเทวดาเป็นร้อยเลยล้วนแต่สวยงามสวยงามหยาบเยิม้มยิ่งกว่านางชนบทกระยาณนี่นะพนันธาเห็นก็อยากได้รู้สึกว่าคู่มั่งตัวนี้สวยไม่เท่า นางอับสรบนสวรรค์ลเลยเพระพุทธองค์รู้ก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าปฏิบัติธรรมเนี่ยจะได้หนังฟ้าพราะนันทานี่ก็อยากได้ก็เลยตกลงปฏิบัติธรรมลืมนางชนรถเกลียณีคู่มั่นไปเลยลพอปฏิบัติธรรมนะก็ถูกล้อเพราะว่า ถูกเพื่อนพราวยกันล้อว่าเนี่ยมาปฏิบัติเพราะอยากจะได้นังฟ้าหรือว่าบางคนก็ล้อว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าจ้างมาให้มาปฏิบัติพระนั้นถ้าก็เกิดมานาขึ้นมารู้สึกเสียหน้าอับอายก็เลยตั้งใจปฏิบัติแล้วหลีกเล่นไปปฏิบัติในที่สุดก็บรรลุธรรมเป็นพระอระหรันต์ ถึงตอนนั้นนี่ก็ไม่สนใจและวนางฟ้าหรือว่านางชนบทกาลยาณีแล้วก็เป็นพระอาหารหันต์รูปหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเพราะกิเลสแท้ๆหรือเพราะตัณหา <c oughs> คือเพราะอยากได้นางฟ้าแล้วก็ต่อมาก็พอรู้สึกเสียหน้าขึ้นมาแล้วเหล็กเล่นไปปฏิบัติไอ้ความเสียหน้านี่ก็เป็นเรื่องของมานะนะมานะา น, านี่ก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่ง ถูกใครค่อนคอถูกใครตำหนิก็รู้สึกเสียหน้าในะความเสียหน้านี้ถือว่าเป็นกิเลสเป็นเรื่องของอีโก้หรือรอัตตาทางพุทธศาสนาเรียกว่ามานะนั่นจะเห็นได้ว่านาะพระมันพนันทานนี้ก็บรรลุธทำได้ก็เพราะว่าแรงผลักของตันหาแล้วก็มานะนะก็เป็นกิเลสนะก็เป็นของดีเหมือนกันนะ มีพระหลายรูปเลยที่มาบวชเพราะว่าอยากสบายอย่าจกเห็นใจคนหนึ่งเห็นว่าเออเป็นพระแล้วนี่มีกินมีนอนนะไม่ต้องไปขอเงินให้ลำบากก็เลยมาบวชมาบวชแล้วก็บวชไปได้สักพักพอมีกินนะมีปัจจัยสีละเริ่มรู้สึกว่าหายลำบากแล้ว คันนี้ก็ชักเบื่อเพราะว่าเป็นพระนี่ก็ต้องต้องปฏิบัตินะจะทำอะไรตามใจไม่ได้เพราะมีวินัยมีศีขาบทเบื่ออยากสึกอยากสึกทำยังไงคือก่อนศึกเนี่ยได้เสื้อผ้าก็เสียได้นะแม้มันจะขาดลุ่งลิ่งก็แขวนไว้ในป่า พออยากสึกเมื่อไหรนะ่ก็จะเข้าไปในป่าแล้วก็ได้ไปเห็นเสื้อที่ตัวเองเคยสวมใส่ <c oughs> ก็นึกถึงชีวิตตอนที่เป็นยาจกเข็นใจว่ามันลำบากอย่างไร <c oughs> พอนึกถึงก็รู้สึกว่าโอ้ถ้าเป็นผ้านี่ยังสบายนะแต่ถ้าสึกไปลำบาก <c oughs> กลัวกลัวความยากลาบาก <c oughs> เปลี่ยนใจไม่สึกย ทำอย่างนี้อยู่หลายครั้งจนกระทั่งเพื่อนพราด้วยกันถามว่าไปทําอะไรท่านก็จะตอบว่าไปหาอาจารย์อาจารย์นี่ก็คือเสื้อผ้าที่มันขาดรุ่งลิ่งนั่นแหละที่มันเตือนใจให้รู้จักเข็ดหลาบ ก, กับชีวิตคารวะว่ามันลําบากยังไงบ้างก็ทำอย่างนี้อยู่หลายครั้งจนกระทั่งในที่สุดก็ตั้งใจปฏิบัติจริงๆใจโน้บไปหาพระธรรม ก็ปฏิบัติจนทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์อันนี้เพื่อนก็ถามว่าเดี๋ยวนี้ไม่ไปหาอาจารย์แล้วเหรอท่านก็ตอบว่าเราไม่ต้องการอาจารย์แล้วนะเพื่อนก็นึกว่าเนี่ยอวดอุตรินะก็เลยไปทูลพระพุทธเจ้าวันเนี่ยมีพระลูกหนึ่งพูดแบบนี้พระพุทธองค์ก็รู้แล้วว่าท่านเป็นพระอระหันต์แล้ว ก็เลยตัสรับรองนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนที่มาบวชพระก็เพราะกิเลสนะคืออยากสบายแล้วก็ที่ยั้งใจไม่ให้สึกได้เพราะกิเลสก็คือกลัวลำบากนะะกิเลสนี่ถ้าเราใช้ให้เป็นมันก็มีประโยชน์มันก็ทำให้เราค่อยๆโน้มเข้าสู่ธรรมะได้เหมือนกันกิเลสมันะ ใช้เรามาเยอะแล้วนะเราต้องใช้กิเลสบ้างมีเรื่องเราว่าเนี่ยหลวงเป็นประวัติของหลวงภู่ขาวตอนหนึ่งมียา่าพาหลานเนี่ยอายุสามสี่ขวบมามาถวายจังหันหลานเนี่ยพอมาอยู่พอมา ใกล้ๆหลวงปู่ขาวก็เห็นบานเนี่ยมีเงาะอยู่หลายลูกเลยปอกเปลือกขาวสวยเด็กไม่เคยเห็นก็อยากกินอยากได้หลวงปู่ขาวก็ถามว่าอยากได้เลยเด็กก็ตอบว่าอยากได้หลวงปู่ขาวก็บอกว่าถ้าอยากได้ก็ต้องนั่งสมาธิแรกนะ ถ้านั่งสมาธิเดี๋ยวหลวงปู่จะให้เงาะทั้งฝาบาเลยนั้นเด็กก็อยากได้ก็เลยบอกว่านั่งสมาธินั่งยังไงอะ่ะท่านก็แนะนาว่าให้เอ า, าขาขาขว า, ขาทับขาซ้ายแล้วก็นั่งหลับตาแล้วภาวนาภาวนาอย่างไรละ่ะท่านก็บอกว่าก็ให้นึกนะให้บริกรรมบริกรรมอะไร ท่านคนแนววันเนี้ยอยากได้เงาะไม่ใช่เลยก็ให้บริกรรมว่าหมากเงะางะหมักเงาะภาษาอีสานนะหมกักเงาะบริกรรมว่าหมากเงาะปิดตาแล้วบริกรรมหายใจเข้าหายจออกก็หมกักเงาะเด็กอยากได้ก็เอาทำนะตอนที่บริกรรมแรกๆเนี้ยเด็กนึกถึงเงาะก็น้ําลายไหลนะแต่ว่าก็ทําไปเพราะความอยากได้พอทําไปทําไปสักพักใจก็สงบ นักสกองมอยู่พักใหญ่เลยจนกระทั่งได้ยินเสียงะระฆังดังเด็กเปิดตาขึ้นมาไม่เห็นใครที่สาราเลยยายก็ไปละเห็นแต่หลวงปู่ขานั่งเป็นสมานั่งสมาด์ที่อยู่เป็นเพื่อน <c oughs> ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยบ่ายสามแล<ะ>้วพาตีะระฆังเพื่ อ, อเพื่อมาทำงานกว่าศสาราถูสารา กลายปว่าเด็กนี่นั่งตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสามโมงเย็นทั้งบันสามโมงอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะแต่ว่าก็เพราะเหตุผลเดียวคืออยากกินงาะนะกิเลสเนี่ยความอยากได้งาอนี่มันก็สามารถจะน้อมใจให้เกิดความเพียรที่จะนะนั่งสมาธิได้ผู้ใหญ่ก็ทำนี้ได้เหมือนกันนะ มีพระนุ่มนี่มาบวชอยู่กับหลว ง, งพ่อพุทธท่านก็ผานำสมาธิผานั่งสมาธิแต่นั่งไม่ได้เลยเพราะว่านึกถึงแฟนอยู่ตลอดเวลานึกถึงแฟนก็เลยจิตไม่มีพุทธโธเท่าไหร่ก็ไม่ไม่เกิดความสงบ ก, ก็มาปรึกษาหลวงพ่อพุธหลวงพ่อท่านก็บอกว่า คิดถึงแฟนเหรออย่างนี้ก็แล้วกันนะเวลาบริกรรมเนี่ยแทนที่จะบริกรรมว่าพุโทโธเนี่ยก็นึกถึงชื่อแฟนก็แล้วกันนะแฟนชื่อสมมุติสมทรงก็หายใจเข้าสมหายใจออกทรงน ะ, ะบอกว่าเอาเลนะไม่ยากอะไรก็ทํานะคราวนี้ได้ผลนะจิตเป็นสมาธิเลยนะอันนี้ท่านก็ฉลาดนะ ในการที่จะเอากิเลสหรือเอาเอาความความคิดถึงแฟนเนี่ยมาเป็นอุบายในการทำสมาธิอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่ากิเลสหรือตัณหาเนี่ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะถ้ารู้จักมองหรือรว่ารู้จักใช้ล้วพวกเราเนี่ยถ้าหากว่ามัน ถ้าว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ใช้ประโยชน์จากมันได้หลายอย่างนะความโกรธเกิดขึ้นก็ถือเป็นการบ้านฝึกฝึกเมตตาฝึกเมตตาภาวานาก็ได้เพราะว่ามีเมตตาแล้วเนี่ยมันก็ช่วยกดขม่มหรือช่วยระงับบรรเทาความโกรธได้อย่างที่ได้พูดตั้งแต่วันแรกๆว่าอาสวะหรือกิเลสหรือความทุกข์เนี่ยมันบรรเทาได้หลายอย่าง อามันลดได้หลายอย่างลดด้วยวิธีบันเทาก็ได้ก็ใช้เมตตาระ ง, งับความโกรธหรือใช้ความโกรธเนี่ยเป็นเครื่องฝึกสติก็ได้คือเป็นการบ้านเพื่อให้เราเห็นมันแทนที่จะเป็นผู้โกรธก็เห็นความโกรธหรือใช้ความโกรธนะเพื่อที่จะเป็นแงรงผลักให้ปฏิบัติก็ได้มีเพื่อนด่าว่า ว่าไอ้เรานี่มันไม่มีทางปฏิบัติได้ไม่มีทางเจริญไม่มีทางภาวนาได้รู้สึกเสียหน้ารู้สึกโกรธขึ้นมานะก็ใช้ความโกรดนี่แหละนะหรือมานะเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนให้ตั้งใจปฏิบัติล้วนะมันจะมีมันจะมีเรื่องราวของคนที่เขาใช้นะ กิเลสเหล่านี้เนี่ยมาเป็นแรงผลักแรงขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้านะอันนี้มันอาจจะเสี่ยงสักหน่อยนะเพราะว่าถ้าใช้ไม่เป็นเนี่ยเราก็โดนมันโดนมันขยําโดนมันกินนะแต่ถ้าเราใช้ให้เป็นนะมันก็มีประโยชนนะ์เหมือนกับเชื้อโรคเนี่ยนะเชื้อโรคถ้าเราใช้ให้เป็นมันก็กลายเป็นวัคซีนเอาเชื้อโรค มาทำให้เป็นวัคซีนมันก็ช่วยป้องกันเชื้อโรคได้หรือว่าเอาสารบางอย่างซึ่งเป็นสารพิษมีพิษเนี่ยเอามาใช้ให้เป็นยาก็ได้อย่างกามโรคเนี่ยซิฟิลิสเนี่ยนะสมัยก่อนเขาไม่มียายังไม่รู้ยังไม่ยังไ ม, ยงไม่ยังไม่รู้จักใช้ยาปฏิชีวน ะ, นะเขาก็ใช้ เขาก็ค้นคว้าว่ามียาอะไรบ้างที่จะระงับบรรเทาโลกนี้ได้ก็พบว่าศารหนูเนี่ยนะสารหนูถ้าปริมาณ น, น, น้อยๆนี้ก็ใช้รักษาได้ทจริงบบเคมีบําบัดเคมีบําบัดเนี่ยที่ใช้รักษามะเร็งเนี่ยมันก็เป็นพิษสูงนะแต่ว่าเขาก็เอามาใช้ให้มันเป็นยากําจัดมะเร็งได้ยาที่เราใช้หลายอย่างมันก็จะว่าเป็นยาพิษก็ได้ แต่ว่าถ้าเอามาใช้ในสัดส่วนที่พอเหมาะมันก็กลายเป็นยารักษาไดนะ้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับเร า, าล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นนะถ้ารู้จักมองรู้จักใช้แต่เราต้องฉลาดนะต้องมีอุบายหรือว่ากุศโลบายนะเอามาใช้เป็นครั้งคราว ก็เกิดประโยชน์ได้เหมือนกันอันนี้ก็รวมไปถึงข้อกรรมด้วยนะอย่างที่พูดตั้งแต่ตอนต้นข้อกรรมที่เกิดขึ้นกับเรานะความความเจ็บความป่วยงานการล้มเหลวครอบครัวแตกร้านะก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มันทำให้อย่างน้อยมันก็มีประโยชน์ที่ทำให้เราเห็นถึง ความไม่จรหลังยั่งยืนของชีวิตนะให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแล้วก็ให้รู้จักพึ่งตนอย่าไปพึ่งสิ่งอื่นมากมีบางคนเนี่ยเคยถูกไล่ออกจากงานเป็นคนดังมากนะนะ ส, ส, สตีฟจอบนี่เขาเป็นคนที่มีประวัติน่าสนใจเขาเคย เป็นผู้ก่อตั้งนะบริษัท Apple Apple นี่ก็คือผู้ผลิตคอมพิวเตอร์แมคอินทแล้วตอนหลังก็ผลิตเครื่อง iPod iPhone ทั้งหลายนี่ก็มาจากบริษัทนี้แหละสตีฟจ็อบนี่สร้างบริษัทมาแต่พอบริษัทเป็นบริษัทมหาชนตัวเองก็เป็นลูกจ้างถือหุ้นเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นลูกจ้างเป็นซ e o อ วันดีคืนดีก็ถูกไล่ออกถูกไล่ออกก็ทุกนะบริษัทนี้ตัวเองสร้างมากับมือแต่ก็ถูกไล่ออกแต่ตอนหลังเขาก็ไปทำไปตั้งบริษัทใหม่ไปตั้งบริษัทที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการผลิตคอมพิวเตอร์เลยเป็นบริษัททําการ์ตูนนะผลิตหนัง กระตูลที่มีชื่อหลายหลายเรื่อ ok. งจนกระทั่งเขาดังมาดังมาในอีกวงการหนึ่งวงการบันเทิงหนังเรื่อง toy story หนังเรื่องหนังเรื่องอะไรนีโมมั new, ่งไฟด i n g Nemo พวกนี้ก็บริษัทที่เขาสร้าง <S <S <S เขาบอกว่าการที่เขาถูกไล่ออกเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของเขา ถ้าเขาไม่ถูกไล่ออกเขาคงจะไม่สามารถจะม า, มาบุกเบิกอะไรใหม่ๆได้ตอนที่ถูกไล่ออกก็รู้สึกเสียใจแต่ตอนหลังก็รู้สึกสบายใจว่าเออมันหมดภาระรู้สึกว่าภาระที่ต้องผลิตงานให้ให้ดีกว่าเดิมอันนี้เป็นภาระเหมือนกันนะคนที่ประสบความสําเร็จมาแล้วก็จะต้องทําความสําเร็จให้มีให้มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มันเป็นภาล่าที่สร้างความหนักอกหนักใจให้กับเขามากว่าทำงไงถึงจะทำให้มันดีกว่าเดิมไม่ยำเท้าอยู่กับที่แต่พอทุกไล่ออกนี่รู้สึกโล่งอกไปเลยเพราะว่าพอไปทําไปสร้างไปลิเริ่มสิ่งใหม่เนี่ยมันสบายใจกว่าเพราะไม่ต้องคอยไปเปรียบเทียบกับของเก่าว่าจะทำดีกว่าของเก่าไหม ว่าเวลาเราทำอะไรสิ่งใหม่เนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่มีใครคาดหวังว่าเราจะต้องทำให้ดีกว่าเดิมในการที่ต้องทำอะไรใหม่ๆเขารู้สึกว่ามันสบายใจแล้วเขาก็สามารถจะใช้ความคิดสร้างสารรค์ได้มากมายเนขาก็เลยพูดว่าเนี่ยการที่เขาถูกไล่ออกจากบริษัทที่สร้างมากับมือนี่มันมีประโยชน์เหมือนกันนะเป็นสิ่งที่ดีสุดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับชวิตของเขา การตกงานก็ดีเหมือนกันมีประโยชน์ <c oughs> ถ้ารู้จักใช้ฉะนั <c oughs> ้นาวพูดเราเนี่ยเราเจออะไรก็ตามนี่อย่าไปท้ออย่าไปถอยแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีลองมองให้ดีมันก็จะเห็นประโยชน์แม้แต่กิเลสมันก็มีประโยชน์ถ้าเราใช้ให้เป็นะนเวลาปฏิบัติไปมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมันไม่ใช่ความสงบ ก็ไม่เป็นไร <c oughs> อ่ะเท่านี้ดีกว่านะเดี๋ยวเอาเลยพ่ อ, อ, อไม่ออกเตรียมอขอสิน